แล้วฉันจะเป็นสุขบางทีหินที่มีค่าที่สุดที่เราสมควรต้องใส่ลงไปในโถของเราก่อนสิ่งอื่นๆดังนที่เล่าในเรื่องที่แล้ว คือความสุขภายในหากตัวเราเองยังไม่มีความสุขเราย่อมไม่มีความสุขที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นแล้วทำไมพวกเรามากมายจึงให้ความสำคัญกับความสุขน้อยเหลือเกินเลื่อนมันไปจนเป็นอันดับท้ายๆหรือแม้กระทั่งหลังจากอันดับท้ายสุดดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้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 ท่านอธิบายความสาคัญของการสอบ A level และบอกว่าถ้าอาตมาสอบได้คะแนนดีอาตมาจะมีความสุขครั้งนี้ก็เช่นกันที่อาตมาเชื่อฟังคําแนะนาและอาตมาก็สอบได้ดีแล้วก็อีกครั้งเช่นกันที่มันไม่ได้ทำให้อาตมามีความสุขเท่าไหร่เพราะบัดนี้ อาตามาจะต้องเรียนหนักที่สุดอีกตั้งสามปีที่แสนจะยาวนานเพื่อจะได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยแม่และอาจารย์ซึ่งถึงเวลานี้พ่อของอาตามาก็ได้จากไปเสียแล้วแนะนำให้อาตามาอยู่ไกลๆจากบาร์และงานเลี้ยงต่างๆในมหาวิทยาลัยจะได้ให้เวลาเต็มที่กับการเรียน ท่านบอกอาตมาว่าปริญญาจากมหาวิทยาลัยสำคัญมากและถ้าอาตมาทำได้ดีอาตมาจะมีความสุขมาถึงจุดนี้อาตมาจักจะเริ่มสงสัยเสแล้วล่ะอาตมาเห็นเพื่อนรุ่นพี่บางคนที่เรียนหนักมาก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 ลงหลักปักฐานแล้วพี่จะได้มีความสุขสถีเมื่อแต่งงานแล้วเขาก็ยังคงไม่มีความสุขเขาต้องทำ ง, งานหนักขึ้นไปกว่าเก่ารับงานพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บหอมรอมริกไม่เป็นค่ามัดจำสำหรับห้องชุดหรือบ้านเล็กๆสักหลัง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 เขาเริ่มตั้งครอบครัวมีลูกที่ทำให้เขาต้องตื่นกลางดึกกลืนกินเงินทั้งหมดที่เขาเจียดไว้เพิ่มความวิตกกังวล น, นานาประการแก่เขาอย่างมหาศาลคราวนี้คงจะเป็นอีก20สิปีข้างหน้าหรอกที่เขาจะสามารถทำอะไรอย่างที่เขาต้องการได้เขาจึงบอกอาตมาว่าเมื่อใด